ก็เป็นประสบการณ์ชีวิตของคนทุกคนหรือว่าประสบการณ์ชีวิตของดาวนุ่นทุกคนดาวนุ่นเขียนว่าสิ่งที่มันมันจากอะไรมันมาจากสิ่งชีวิตของตัวเองสิ่งที่ดาวนุ่นพบสองอย่างในการเจ้านะฮะก็คือการดูแลรักษาเจ้าสองการปกป้องรักษาสมรภูมิการดูแลรักษาสมรภูมิเจ้าการปกป้องรักษาสมรภูมิ นั่นคือสิ่งที่ที่ที่เราไม่ได้พบการรักษาคือว่าการแก้สุดตัวเราตายกายมันด่าเราส่วนการปกป้องคือการมีสุขวันต่อวันนะพระเจ้าอยู่ด้วยพระเจ้าไม่ไปไหนพระเจ้าพรในการจะช่วยเราในยามยากลำบากงานในยามลำบากเรายามนี้พระเจ้าช่วยและในยามหนัก อยู่กับช่วยอยู่กับช่วยแต่เราบังคับพบเห็นว่าพระเจ้าช่วยเราในตอนไหนตอนยากลำบากตอนเด็กเล็กนั่นสติปัญญาในการทำงานถึงตอนไหนนะตอนรู้สมองนั่นตอนโกร่งเนี่ยต่างเงี้ยไม่ได้ยากดีนะพระเจ้าก็อยู่ด้วยเนี่ยให้สติปัญญาเราในยามลำบากพระเจ้าก็ดูแลเราในการป้องกันเรานะครับก็จะอ่านไปสี่ร้อยทอดเนี่ย เรื่องเป็นการระดับสีนวลนะทุเรียนวิทยาสามคนถือว่าพระเจ้าทรงเรียนดูข้าพเจ้าดูเพี้ยนแกะข้าพเจ้าจะไม่สะสมอันนี้คือสิ่งที่ดำเงื่อนก้นพระเจ้าทรงเรียนดูข้าพเจ้าดูงูแกะข้าพเจ้าจะไม่สะสมนะตอนวิปุนข้อสอนพระองค์ทรงนักธรรมให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด สองข้อที่เร า, าพูดถึงการดูแลชีวิตฝ่ า, า, ย า, า, ายร่างกายของเราและการดูแลชีวิตฝ่ายร่างกายของเราร่างกายของเราการความจำเป็นพื้นฐานที่เราต้องการพระเจ้าเตรียมไว้ให้บริการนะความจำเป็นพื้นฐานของเราพระเจ้าเตรียมเตรียมไว้ให้ถ้าเราสังเกตุนะครับในข้อมาพระเจ้าทรงให้พระเจ้าเปรียกแก่ท่า น, นไม่ขัดสง สนะครับสมัยก、well, ็แล、uh, ้วแต่ว、hmm. ่าใครแต่ความอะไรแต่ว่าถ้าตามทั้งปีหมายว่าครับอ่าอีกนั้นว่าท่านเจ้าไม่ขาดอะไรนะอะไรวัดคุณแต่ถ้าท่านเจ้าที่เจ้าอัญเชาวงกตท่านเจ้ากำกับอะไรถ้ามีพระเจ้าเนี่ยท่านเจ้าไม่ขาดอะไรถ้ามีพระเจ้าเนี่ยท่านเจ้ากำกันอะไรแต่ว่าพบปนอยู่เนี่ย ครั้ง น, น, นี้พี่ได้เราครบบริบูรณ์ละทางประชาได้คุยกับการบุญช่างเรียนว่ า, าการให้ฐานของความช่วยเหลือกับพระเจ้ากับการให้ฐ า, านขอพบพระเจ้าเนี่ยแตกต่างเยอะนิดแตกต่างกันเยอะมากการให้ฐานขอความช่วยเหลือกับพระเจ้าเนี่ยเมื่อเราก็ตามใช่ไหมและการให้ฐานขอความเกลียดกับพระเจ้าเนี่ยขอไปขอมาป่วยเลยป่วยเพราะอะไรพีไ่ได้สักที เบือ่อการการฐานขอขบพระเจ้าเนี่ยมันมีความมุ่ง ม, มั่นคนที่อยากขอพุทธเจ้าแสดงว่าต้องมีความตั้งใจเลยทางไหนพบมีเรื่องราทางอื่นพบเป็นไปไห น, หไหนต่างกันการขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าถ้าเราได้รับปั๊บดูเหมือนพระเจ้ากับเราก็โอเคไม่เป็นไรเพราะว่าได้ตามความต้องการไปก่อ น, นใช่ไหมการการขอและขบพระเจ้าวาัดพบปั๊บเนี่ยมันมีความสำคัญต่อเรื่องครับ ทิ้งนั้นไม่ได้พบก็ได้ถามช่วยแค่นั้นแต่บางครั้งเรามันต่างพระเจ้าเราทำมันแค่เป็นการที่เจ้าช่วยเราไม่หมายเห็นหน้าก็ได้ขอขอศพต่างมาก็มองเนี่ยนะอ่าเหมือนเราขอความเลยไม่หมายเห็นหน้าก็ได้ขอศพต่างมาเราขอความใจอุตส่าห์ว่าเราเป็นลายกรมที่มาพบเจ้าขอให้ความช่วยเหลือเราก็ใช้ได้เราก็ได้พบกันแต่คนที่พบพระเจ้าต้องลายมาสักแต่พบด้วยได้เห็นได้รู้จักได้มาคุ้นแถม เขาแキ้ส kidnapped zu ham, งาน están Mobile así que 解 kan hace años qué. Suiteießen. Lo Duncan chica. Porque usted tem que lo siente BelgIR. Porque existe una tienda 根 fashioned. Nomás se pueda decir que hay una tienda que con la insansitut. Es decir, estas patent unters por el ト amio y la SIF. Unilado para usted no tiene más? flew of control. noongo que lo tiene. O solo, lo que sea le dijo secundario sobre la información picture. ง่ายครับของแถมแต่วันเป็นเรื่องของชื่อเสียงติดรถต่างก็ของแถมเงินทองของแถมเป็นเรื่องสัตว์สลุงบอลใช่ไหมพระเจ้าประธานในสัตสัตว์สุนทรข้ออะไรขอสัญญาพระเจ้าแถมอะไรเงินทองกับชื่อเสียงให้เงินทองชื่อเสียงของแถมนะให้ของหลักนะของหลักคือเรื่องพระปราชญ์คือการแต่งมังคุดพระปราชญ์ได้รับสัญญาสิ้นไป การดูของดีของดีของจริงส่วนเรื่องของชื่อเสียงของแถมงานสนใจทำชอบของแถมมากของอะไรของจริงอ่ะเวลาไปซื้อของตามร้านนะครับเราต้องการอะไรของที่เขาอะไรเอาไปซื้อผงซักผ้าหรือสก๊อตแล้วนะจริงเราต้องมีอะไรที่บ้านตัวของแถมมันไม่ดีแล้วมีของแถมเนี่ยซื้อผงซักผ้าโดนตัวการของแถมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ก็โอเคไม่เป็นอะไร เราไม่ได้ผิดอะไรแต่ขนาดในา ح, ระดับของแจกไปขงองจริงอะไรราคาไปอะไรอะไรใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่มองเห็นภาพนั้นเราอยากพยายามเอาของแถมพระเจ้าบนนั้นทอเป็นของแถมพระเจ้าชื่อเสียงยกของแถมชื่ออะไรแต่ตัวที่เป็นพระเจ้าเป็นกีสินดาเพราะพระเจ้าไม่ได้ริษม์เป็นดาพระเจ้าไม่ได้ความรัยายามกน ะ, ยายากละและก็ของที่เราผลิตถ้ามีพระเจ้าก็มีทุกสิ่ง นั่นคือสิ่งที่มนุษย์เราได้ทำเข้าใจชัดเจนว่ า, า, า, วาถ้าเขามั่นใจว่าพระเจ้าอยู่เขาไปกล้าไปทอดทิ้งเขาเขาไม่มาสุดขั้นเขาไม่กล้าแล้วมีพระเจ้าเป็นพรนะนะนะครับมีพระเจ้าเป็นพรนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นพระเจ้านำชาวแอร์ทุ่งหญ้าสดๆคำว่าเบีเ้ยงพอเนี่ยไม่แปลคำปากมีจำกัดจำกี่นะพออยู่พอกินมัน มันคุณสมบูรณ์แข็งกร้าวในทุกาดท้านที่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์เมื่อพระเจ้ามาถึงเราแล้วพระเจ้าจะได้รับชีวิตครบบริบูรณ์นะเต็มที่เต็มล้นไม่ขาดสิ่งใดนะไม่ขาดสิ่งใดอันนั้นคือสิ่งที่มองเห็นภาพบอกว่าในเรื่องของร่างกายการดูการอยู่เพื่ออยู่อาศัยพระเจ้าจะพร้อมการเรียกไม่สำหรับถ้าเราไม่ครบบริ ณถ้าเราอบรมนั้นที่เราไปดูคนที่ได้บรรยากาศพระพิจ า, กการณาข้อนั้นนี้ที่เขาพบเ จ, าจ้าคุณสภาพกันแต่พอเขามาดูจักรเจ้าเขาพบสภาพอาื่นความสมดุลแบบนี้เกิดขึ้นนั่นคือเรื่องเราชื่อปีใหม่แม้มันเกิดวันข้ามวันขาสุดขาดขาดบางอย่างเนี่ยได้แต่ที่มันขาดได้เพราะว่าพระเจ้าถือไม่นะนาทีนั้นไม่แสดง พ, ะพระเจา้าพบพระเจ้า เมื่อเราพวกระเฉ gustaría referrals ได้เราต้องมีคำตอดฝิต์ нуться learn where kita Kathy กำละกายแลังงว Kelsey หนด้าจุดใจกับ imoto ของ drain För ping-pati babyland ทน้องพประเจาเนื้อที่ปุ่ odor ใหญ่ของ Lightning ตัวสีความภิต صل cái บ centimeters จาก العمل อดต้านนี้แหวงวิสไ� rejections หน้าจุดใจจาก justification 更เมื่อเหล Ring-pati babyland เพราะเราไปแบบวิสไ� Lord ก่อนก็ cem nobody lacks แต่พอพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะพาไปไหนไปที่กินน้ำแด่สมุทรพาไปเสร็จแล้วฟื้นฟูนะฮะเริ่มฟื้นทรงฟื้นจิตใจฟื้นฟูจิตใจใหม่ภาษาฉบับใหม่ใช้คำหนึ่ง ว, ว่บาบ่ายกรงทรงน้ำทุกอย่างกนงนะพินน้ำแด่สมุทรกรงทรงคืนภาพสดชื่นแก่ชีพพระเจา้ามันก็ภาษาเบาหน่อยนะ แต่ภาษาเกิดมีเห็นตัวไหร่ฝื้อจิบคุณชายและทําไม่มีชีวิดขึ้นมามันนัด้นว่าครับชาหลายคข้าวนาคารเรา แ, แ, กแก้มันตาแล้วอะ่ะแต่พบพบาจาร์ว่านลงให้ชีดมันฝื้อฟูมสภาพขึ้นมามันนั้นเกิดสิ่งก็ต้องกำจักใจในสนใจในถึงเชื่อผิดจังร่างการเรียบหน้า นะครับถ้าจึกใจดีร่าง Ke compra ก็เป็นตามแต่ถ้าจึกใจไม่ดีต่อให้ร่าง Ke 花ท ple ka lam ta ke s ethn อันนี้เป็นเรื่องปา้ า, านนก ง, งนี่มะไม่เชื่อแล้วก็จะรับคนคนที่เคยแค่งแรงอะไรคือ Pennsylvania นะครับนี้ล๊วยนึก apa chef ไปร pik อตา ม, มกกวงร้บอง spannend เป็นเมนะรย์หิ pirates 사�อันนี่ ไม่กี่วันสุดเลยไม่กี่วันสุดเลยเพราะส ภ, ภาพจิตใจแต่ถ้าเขาไม่คิดอะไรเขาโอเคขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าจะให้ว่าไรว่ามาคุณพระเจ้าใช่ไหมวันนี้ออกมากลูกใหญ่นะมันก็เห็นหลายคานมันสมัยก่อนที่ทำงานลูกปุยเอสเนี่ยสิ่งที่ลเูกปุยเขาได้ก็คือบอกว่าคุณติดเชื้อเอสไอบี แค่ติดเชื้อนะยังเป็นเอชนะวันจันทร์ก็ไวแล้วอะนะครับแค่ติดเชื้อเองก็เข้าเหมือนถูกตุ้นฉีดนะเบื้องต้นสมัยก่อนการก็สุนายคนที่เจอเอชพีก็เป็นเอชพีสุนัขปลาซาเน่าสัตว์อะเหมือนถูกตุ้นฉีดนะฉีดต่ำลงต่ำลงไปอยู่จากคนที่เคยแข็งแรงจากใจสุดหัวลงไปแบบนี้ดังนั้นบางทีเราไม่ได้ยินข่าวว่าให้ขึ้นมาปั๊กเนี่ย ทำให้ใจหยาดซุกไปเนี่ยร่างกายก็อ่อนแอลงแต่ถ้าเราบอกพระเจ้าอยู่กับเรานะครับเข้ามาหาพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าแล้วก็เป็นจริงคนอันนั้นเนี่ยเมื่อเขาละตันคุกคูเขาาเ้ามาพบพระเจ้าใหม่อีกขั้นหนึ่งหรือคนที่ไม่เคยพบเจ้ามาก่อนพอเราไปคุยเรื่องพระเจ้าดูแลเขาช่วยเหลือเขาเหมือนเท่ากับมีกำลงังขึ้นมามีพลังขึ้นมามีความสดชื่นขึ้นมามีความสดใสขึ้นมามีความหวังใจขึ้นมา นอกจากที、oh. ่บ้านกลางเนี่ยจะมีเรือบาลเสวาวบาลเสวาวเอาไว้บ้านบ้านถึงที่เอาไว้ดูแลผู้เชื้อโรคกับชนิดเอพเดสที่ครอบครัวยังรองรับรับไม่ได้เอาไปพักนั่นเพราะมันมีส่วนของการที่เรารับสอโครสระพันธุ์ระพันธุ์นั้นสอโครสก็นะงานของลูกต่อนั่นก็ไปดูแลครับเริ่มมาแล้วสตาร์ทอินสติม ให้ความบังใจนะท่านแต่ยังไงจะมีคนมาดูงาน แ, แาาน่แล้วเขาไปไปไปเมาดูงานเนี่ยชอบมองภาพครับคนที่ปาาเป็นโรคเกศคนที่เป็นเอสไอบีนอนแบบหมดเลยผิวทำนอพอเขาลงรถมาเนี่ยเขาก็ตรงไปไหนไปที่กรุงเทพไปที่กรุงเทพแต่ผมดูแลผู้ป่วยหลักลุนเนี่ยติดกระบวนการการตายเนี่ยที่อยู่ที่ผู้ป่วย การคุณตายทีกล่หนึ่งมาจ้าคุณก็เห็นนะคนไม่เป็นเอสคนไม่เป็นเชื้อเอชไอวี B, ตายก่อนคุณก็มีอะแล้วทำไมคุณมาโหวตตายไม่เปลี่ยนความคิดใหม่มาทุกทายเดี๋ยวถ้ามีแขกมานะคุณแต่งคุณไม่สวยจะไปรับแขกเออแล้วเขาบอก ม, มันตายคุณเองรู้ว่าแขกมาต้องแต่งป่วยสวยเลยก็ไปไปรับแขก แต่งแกล้วงงานก็มุ่งอาไหนพาไปดูว่าที่อยู่ไหนไปเจอเงินว่างเปล่าหมดเลยเอาไปไหนอ่ะเอาไปก้อนรับคุณเลยตกใจหมดไอ้คนตกใจไปคนเป็นเชื่อไอ้คนตกใจคือมีแขกเอ้าก้อนเรียบคือด้วยกันเป็นเชื่อเหรอแตกต่างเลยต้องมันดุจดิ้นกำลังใจและพระพุทธเจ้ามัดมีกำลังใจและการพื้นฟูสภาพจิตใจเมื่อพื้นฟูสภาพจิตใจเขาก็มีสภาพที่ดีขึ้น แต่ถ้าใครไมไ่มีปวดตาจะเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มีมันคนไม่ไปไหนล่ะพ่อแม่ว่ามาตาขึนะ้นบ้างขึ้นเธออะไรอะไรสุรสิเยอะไม่หยอกไปหาว่าประรอตาหรือเกิดผมนั่งคุยพักจนทุน่มมีกำลังใจทีท่พวกชื่อจะไปหาว่าเวลาที่เป็นเกิด เมื่อเขาพบว่ามีพระเจ้าคอยช่วยเขาได้และเขามีความหวังตายขึ้นมาทุกคนลุกขึ้นนะอยากจะไปถามออกแต่เมื่อก่อนนี้ยังได้ตามแต่ขอตายเลยแต่ขอตายนั่นคือเรื่องเนี้ยคือถ้าเขามีความหวังตายถ้าเรามีความบรรจาคมเจ้าอยู่เราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใจใจฟ้องนะจะตายก็เอาความรู้สึกของมันเพราะพระเจ้าอยู่เราถ้าพระเจ้าอยู่ด้วยทุกสิ่งอยากทำไม ก็โทษสมบูรณ์แบบแหละเจ้ามือเนี่ยเป็นอะไรแล้วเป็นเจ้าเรายิางย่งใหญ่เลยอะไรคือสิ่งที่มองเห็นมาพระเจ้าจะนำเราไปที่ดินน้ำและ ส, สรุปสมบูรณ์จานของพระเจ้าลงสมนั้นจากพระเจ้าไปทานชอบทำและลงทางไหนให้เราหันกลับมาทานชอบทำส่วนใหญ่คนเจ็บคนป่วยนี้ญาณญาดีก็ไม่ได้ทำอะไรที่มีปัญหาเยอะแต่พอเขารู้จักปัจจัย นะฮะพระเจ้านำมันกลับมาสู่ความชอบธรรมให้เขาตั้งใจใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ความชอบธรรมเกิดขึ้นสภาพร่ก า, กางกายก็ตามมาจิตใจก็ตามมาอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าในการนำเข้าไปสู่ความชอบธรรมนำจิตใจของเราไปสู่ความชอบธรรมบางทีเราเองมันตั้งใจเองไม่ได้ก็อาศัยพุญญ่งยาช่วยช่วยเราไปถึงการตั้งใจเลยดังนั้นเราจะถามว่าเรารู้ผิดหรือถูกไหมรู้เมื่อไรจะรู้มาอ่ะคุณทัวร์รู้มาเนี่ย แต่ทำไมเรากลับใจไม่เพราะพระเจ้านำเรานำเรากลับใจไม่ภพยาลไม่ทำงานจริงใจของเราไม่ปิดใจออกภพยาลทำทันจะใช้เรายอมรับสภาพเรายอมกลับใจใหม่ยอมเริ่มต้นกับพระเจ้าใหม่การกลับใจใหม่ที่อยู่ก็หลายคนอาจสงสัยเสียใจในสิ่งตื่นครับแต่ได้กลับใจไม่ได้เพราะว่ากำลังของเราเนี่ยจำกัดเนี่ยเราพอได้พบพระเจ้า ธงยาโมศุทธามาจิตใจเราเรากล้าพอที่จะขึ้นประกอบบอกเราอ่ะกองหลักใจเลยครั้งนี้เราพูดภาษาพูดแล้วพูดอีกไม่อีกเลยแล้วก็ทำกับพุทธแต่ถ้าเราพูดในความรักพระเจ้าและพูดเลยเขาพบพระเจ้าแย่พระเจ้าทำงานจิตใจของเขาแต่ถ้ามันตายพ้อยได้พ้อยแต่พูดเลยพูดแล้วพูดอีกฟังจริงงาน ท่านลองเข้าหาพระเจ้าไอ้ฐานของพระเจ้าจะไม่ฐานของคนก็จะข อ, ะะขอช่วยจากสายลูกข้าพกลุ่มนะขอพระเจ้าช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ลงเวลาแล้วไอ้ฐานที่ต้องไอ้ฐา น, นขอให้คนขน้าพกลุ่มพบพระเจ้าขอให้คนครอบครัวข้าพกลุ่มได้พบพระเจ้า TV, ท, ท, ท, าาที่นี่อะไรสามีคนก็มาปีพุทธศักร์แล้วก็ปีละ พ, พุทธศักร์สามีมีเหล้ามากแล้วใครทายสิบตีบริการขอให้ เ, เขาเลือกเหล้าหน่อยขอให้เขาเลือกเหล้าหน่อยเออไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะน้ำเลือกไม่ได้ครับถ้าเขาจะพบพระเจ้าจงไอ้ทายเขาพบพระเจ้าไอ้ทายเขาพบพระเจ้าโดยเขาเลือกเอง และใครเห็นพระเจ้าท you know, ี <t french> ่ไหนอย่างนี้ตัวเราเนี่ยเขาคงไม่สามารถมองเนี่ยต้องการและเกิดเป็นเจ้าก็เห็นพระเจ้าอยู่ตัวเราปล่อยพระเจ้าตัวเราเดี๋ยวมันจะลุกเป็นแป้งนะอย่างน้อยก็ไม่ไปต่อสู้เราละแต่ไม่ถ่ายแสงไม่ต่อต่อสู้เราไม่ยืนทนไม่ไปต่อสู้เราถืออยู่ฝ่ายเราไงใช่ไหมไอ้ถ่ายถ้าพบพระเจ้าแต่อันถ่ายก็เปลี่ยนมุมเปลี่ยนสิเราอันถ่ายมีสิบปีไม่เปลี่ยนเราเปลี่ยนไม่ได้เราเปลี่ยนไม่ได้ และพระเจ้าก็ทำแรงได้เมื่อเขาจะเปิดการกันต่อพระเจ้ากถ้าเขาพบพระเจ้ามันก็จะเปลี่ยนเองไม่ต้องไปว่าอะไรเขาทำคายบใครที่พูดไปมันก็โมโหอาจจะสุดท้ายว่าเราอยากโดนล้อก็แม้หลายผู้ทำนี้กันก็ก็ ไ, ไม่ได้อะไรแต่แต่ไม่ช่วยอะไรที่ไหนไม่ได้ผิดอะไรแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไร แต่ พ, บ พ, บ พ, บพบวพเกเร า, า, าขอให้พบพระเจ้าขอให้รบพบประเจ้าพบไหนพบผ่านชีพธรรมย้ายข้ามแขนมองกองฟ้าเจอพระเจ้าที่มีศิษย์เจริญเขาตื่นพระเจ้าเราวันพระเจ้าเราเขาจะพบพระเจ้าเขาต้องชดเปลี่ยนเถอะนั่นคือสิ่งมองเห็นนั่นคือพระเจ้าทรงดูแลรักษาทางกายใจและจิตใจต้อยสองค่อยสี่พระเจ้าจะสถิตด้วยป้อมรักษา นะปกป้องษาตอนแรกพระบรมว่ารังคว้าพระเจ้าดูแลรักษาตอนที่สองรังคว้าพระเจ้าปกป้องรักษาแม้พระเจ้าเดินไปตามเขาเงาเมตุลาชพระเจ้าไม่กลัวอะไรใดเพราะพรองสิทธิ์กับข้าพรองเพราะพรองทรงสิทธิ์กับข้าพรองคาถาและคาถาปลอมเอาลมข้าพร แล้วก็ได้พบหนึ่งว่าแม้ว่าข้างเดินไปไหนตามแต่ถ้ามันเดินไปตามเขาแนวภูตุราชไปแต่ถ้ามันตั้งแต่เดินไปเนี่ยแต่เส้นทางมันต้องผ่านเส้นทางมันต้องผ่านนะเหมือนกับทหารที่ออกนอกเนื้อแต่อย่างทางไทยแลนด์เนี่ยมาทำขาเข้าวัดมันมีพื้นที่และพื้นที่สังหารพื้นที่สังหารที่มันทั้งพื้นที่สังหารเนี่ยแล้วมันมันชักไม่มีเส้นทางอื่น นัลดขอก้นผู้ก่อการร้ายเนี่ยถ้าเขาอยากจะดักจมปีทหารเนี่ยเขาจะไปก่อเหตุบางที่ในประเทศตระหนักรู้แล้วเขาก็เผาฐานกองทัพอ่ะนะแต่มันต่ออยู่ น, ยะะนะแล้วรถทหารกลุ่มนี้ต้องไปช่วยเพราะต่อไม่ได้ใช่ไหมต้องไปช่วยและเส้นทางช่วยจะมีเส้นทางที่นี้มันต้องผ่านเรื่องพื้นที่สันหาร บอกกับการโจบดีตามรู้ไหมรู้ต้องไปไหมต้องไปต้องไปแล้วเรียกไม่ได้เพราะมีสิทธาพเดียวไปถึงให้เดินอีกได้ดูลิ่งที่สิ <20. S 1> ทธาพนี้25คนและ10คนใจเขาต้องไปชีวิตของเราบางครั้งต้องเดินผ่านที่สิทธาพทานความได้านมองป่า หลีไไกไม่ได้เลี่ยนไม่ได้หนีไม่ได้ใครจะช่วยคุณบรรการจะช่วยแม้พระเจ้าเดินไปตามขเขายาวตุลานะข้าพเจ้ า, ามไม่กลัวอะไรใดๆรู้ว่าพระเจ้าเป็นทรงสันติช่วยชาป้าเจ้าไม่กลัวอะไรข้าพเจ้าเราไม่กลัวอะไรนะไม่กลัวอะไรพระเจ้าช่วย ท่านเขา อ, อาจจะมองโดอนเห็ออนรักปอนในพุทธะเมียมีคาถาและทานพระกรณ์คาถาคอยช่วยเหลือนะทานพระกรณ์มันคอยเล่าเลยนะอันนั้นคือสิ่งที่ให้มองเห็นภาพาว่าเจ้าคอยดูแลคอยปกป้องคอยรักษาการฆ่า ม, า ม, ามาาังคาเนี่ยบาง ท, าางทีเรามีบางทีทุกคนมีคาถาทานพระกรณ์นะคาถาไม่มีนเอาไว ตีกันนะแต่เ พ, พืยเ่อปกป้องกันนะบั้งพีหรือคาถาอะบั้งพีในมือว่าคาถาคาปกรณ์นะมีไว้เพื่อปกป้องกันมีไว้เพื่อเล่าโล่ใจกันไม่มีไว้เพื่อตีกันนะบางทีเราใช้บางทีไปตีกันเฉือนด้วยข้อความบั้งพีใช้สั่งใจแสวงองค์นั้นแต่แใช้บั้ ง, ง พ, าางนนาพีดาคันมีแส้ แต่เมื่อเจ้าไปเจอแล้วแช่มพีมาคอยด่ากันมาคอยพีแช่มพีในการช่วยกันแล้วก็เล่าโล่ใจกันไปกันใช่ไหมถูกบางคนก็พีเปรี้ยเลยนะแต่คุณแช่มพีแบบขาดความรักไปเลยนะขาดความรักไปอันนั้นคือสิ่งสำคัญอย่างมากเลยถึงเขาแช่มพีไม่ถูกตัวหวานก็มีมาใหญ่ใช่ถูกไหมถูกที่พูดไปเรื่องนี้แช่มพีได้ เขาทำมันเจ็บมากแล้วคาราชใจเป็นความแข็งกระด้างเกิดการต่อสู้คาราชใช้วัตถุผ้ากันมันทำใจแข็งกระด้างแล้วเกิดการต่อสู้ทำไมไปเนี่ยเออบางทีบางอย่างบางทีบางอย่างบางทีบางอย่างก็ถูกก็ผิดแต่คนฟังแบบเออเออหรือต่อท้ายข้าจะเป็นเนี่ยมันมันเจ็บใจเลย เพราะคนอีสชาขาดความและเจ้าดูพวกเรารักเราค อ, อยดูแลเราค อ, อยช่วยเหลือเราความตีมีไว้เพื่อป้องกันหมาป่าแม่มาตัดกินลูกแยกออกกลมไม่ใช่มีไว้เพื่อตีผู้เล่นงาน ใ, ใช่ไหมพ่อไม่มีแม่เท้าตีแตกไม่ใช่ต้อไม่เคยเข้าใจไหมตีใครตีหมาป่าและถ้าตกเขาก็ให้อะไรฐานพิการกเกี่ยวขึ้นมา เราตกใจมีเจ็บป่วยก็คอยดูแลด้วยใจนั่นคือสิ่งที่มีวความจริงพระเจ้าคอยเราดูคอยปกป้องพระองค์ทรงประชิดด้วยนะไปทางไหนก็ตามแต่ถึงแม้จะเป็นแก่สังหารเป็นที่สังหารเป็นที่อันตรายแต่ถ้าเรามั่นใจว่าพระเจ้าด้วยเราจะมีคุณวันวันแต่มไม่คุณไปที่ไปเราเพราะจะไปจำเป็นต้องไป หรือว่าการการคาบเซนนะคุณต้องไปที่มีอยากจะไปเหมือนกันนะแต่ถ้าไม่ได้ไปก็ต้องไปอ่ะไม่ได้ไปก็ต้องไปอ่ะแต่ถ้าเราไปความมันจะพระเจ้าอยู่ด、ね、้วยพวกเราเราไม่ได、no like like、้ไปคนเดียวเราไปกับพระเจ้าพระเจ้าไปกับเราพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าพร้อมในการปกป้องเราพระเจ้าพร้อมในการช่วยเหลือเราพระเจ้าพร้อมในการเล่าโลหิตใจของเราอันนี้คือพระเจ้าเราได้รู้ในพระวจนะพระเจ้าปกป้องพระเจ้ารักษาแม้แต่ในข้อที่ห้า ร่วงทรงคืนเตรียงสรับค้개 �иш โค่ itat โค่ pattern ต่อหน้าจากฆา OP ตาสคลูกหรืงงรงอคโค่ projecting โค่ Feeling สรบค้ ARE ค่ะโค่ะผ ipple ูกดินมันขาด น, นามโค่ Detaue ค่ะโ cortex แล้วแม่ว่าจะมีเชิญสคลูกต่อหน้าสคลูกสมตาสคลูกการทำสูงคลาม복 fac ส divorced ตั ovat embarrassing i think i mean i don't know ฮะ McGee was a black chapter แก pec は Brittany and gait been able to ask him a question แต่พระเจ้าจะเจอม า, าเรียนมาหาได้เห็นเลยสกรูกมองเห็นว่าเอ๊ะมันเจออะไรขึ้นทำไมมันมีข้าวตุนมันมีน้ำตุนมันมีกามแทบไม่ได้เลยต่อพระเจ้าด้วยมันที่อ า, า, อาบัติคนแก่กลางนั้นอาศุทธ์สวดตอนนี้มีเรื่องอุตรากันเลยสมมุติเราในการค้าขายแล้วค้าขายเราคงคอยแก้เราเลย คอยสกดัดเราด้วยมันด้วยทำแล้วเราขายไม่ได้เนี่ยโดยสติปัญญาคนทำอะไรได้เลยมีอย่างคือรอรอเว ล, ลาการการร่วมจงแต่เมื่อเราถึงเวลาพระเจ้าสามารถเราขายของได้อยังไงบ้างนจะตัวงงนะอุตสาหกรรมทุกตลาดเลยนะมันตายอย่างเฉียดเลยนะแต่ขายได้ยังไงอ่ะ เนี targets, ่ยครับเรียนเสร็จแล้วครับกาวหน้ากาวตาสกปรุครับผมจนรวมงงคู่อริมงคู่ต่อสู้งงมันสามารถมีได้ยังไงขายได้ยังไงทั้งทั้งจักรย์มีฐานหมดแล้งานมีตายเดียวแต่ใครจะมีฐานครับมีฐานนั่นคือความแตกและในกรณีใจให้มองเห็นคือสิ่งต่างหรือแม้แต่บรรยากาศต่างๆเกิดขึ้นนะฮะ มีภัยบาปเกิดขึ้นทุกที่อโดนหมดแต่เหลือที่เดียวที่เป็นเจ้าสมบัติก็เป็นการบอกคอมองเห็นบัตรพระเจ้าเป็นฟีดส์ไว้ต่อหน้าต่อตาสักครบบูวางพระญาติด้วยในด่านด่านบาปพระเจ้าอด้วยขณะที่มาเชิญตอนหน้าสักครูพระเจ้าก็อยู่ด้วยคอยปกป้องรักษาเป็นแรงสูง ขาดอะไรพระเจ้าเติมให้ขาดอะไรพระเจ้าเติมให้ขาดอะไรพระเจ้าเติมให้เติมให้เติมให้เพียงพอต่อการสู่เพียงพอต่อการเป็นเชิงกับปัญหาและสามารถชนะได้เพราะนั่นคือสิ่งที่ใหญ่มองเห็นว่าในช่วงตลอดปีใหม่เนี่ยเราสามารถใช้พิธีนี้มันใช้กับส่วนของเราเจอปั๊บปัญหาใช้คนทำทางร่างกายดูจิตใจเราห่อเหี่ยวเราเริ่มถามหาพระเจ้าดูที่พระเจ้า ทำหนูเหมือนกับทำบรรลุไหมการเป็นเจ้าทำบรรลุเจ้าทำเราเจ้าของเราบรรลุเจ้าของเราเจ้าเป็นคนแต่เราต้องรักพระเจ้าการรักพระเจ้าเราต้องรักพระเจ้าการรักพระเจ้าเราต้องรักพระเจ้าการรักพระเจ้าแต่ชาวเราชอบพลาดนะพระเจ้าของเอ็นยากับพระเจ้าของเรากับพระเจ้าองค์เดียวกันทายาขอฝนจากฟ้าได้ ทำไมเราจะขอฝนจากฟ้าไปได้อาจารย์เห็นไหมแต่เราเนี่ยรู้จักพระเจ้าน้อยกว่าเอเดียร์รู้จักพระเจ้าทำไมเราขอฝนพระเจ้สาสั่งมาขอไม่ได้เดินเดินไปนข อ, อแต่ถามว่าเราจะขอฝนแต่ไม่มีสายเห็นใช่ไหมพระเจ้าไปสิทธิ์แต่พระเจ้าจะให้หรือไม่หรือยัง เห็นไหมนะแต่เมื่ออาจารย์สั่งแม้แต่ขอปิดท้องฟ้าอยู่ไอ้ยามเลยขอปิดท้องฟ้าไหมให้มันตกตาเพราะอาจารย์สั่งให้ทำแม้แต่ขอไฟอยู่ไอ้ยามขอไฟไหมเอ็งเอ็งวางแขนเอ็งแล้วขอไฟมาให้เจ้าสั่งให้ทำแล้วต้องรู้จักกับตาทำด้านสายธรรมตรงเชื่อถือบ้างแต่ถ้าเจ้าไม่สั่งให้ทำ เราขอได้ไหมขอได้แต่แล้วแต่พระเจ้าจะให้หรือไม่ต้องทำความตั้งใจด้วยไหมนะแล้วแต่พระเจ้านะก็เราต้องซับใจวินิจฉัยนะผมพยายามพูดว่าไงเชื่อว่าพระเจ้าให้ทำกับเชื่อว่าพระเจ้าทำได้ส่วนหนึ่งเชื่อว่าพระเจ้าทำได้เราขอเถอะแต่พระเจ้าจะทำทำขึ้นอยู่กับพระเจ้าแต่ถ้าเชื่อว่าพระเจ้าสั่งพระเจ้าสั่งให้ทำตรงทำเถอะเพราะว่า ก็มันจะเป็น Studio ข้ aring no currency อันนี้คือสองอย่างข้ arians ของว่าคิดนั้นจริ ง, งคิดยาวค์ถ้าเราส้มใจหละการนี้เราจะดน waited enzyme ค่าตลอดบิภ า, า, า, าคไม่ reinforят ค่ามใจ Linda couldn't believe credential 4สิ ulk ิดแล้วบิธียาต์แล้วต้องส jeunes ด้วยเหตอ substance ท, ที่ Northwestern 組織ค bunlar ซ่ดวงส eso แ przestrm únicaह review ที่ความดีความรักมัน Americans ที่ McDow cosìIDE orship it by ตอนมันคอช และสำคัญอย่างยิ่งพิเศษของโกศุไปเป็นนิมิตดาวิดสำนัมฤทธิ์ในหลวงอาจารย์จากการทบทวนชีวิตทำให้ดาวิสุขทราบว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรดีกว่ากั น, กนจากประสบการณ์ที่ผ่านมาตลอดชีวิตของดาวิ ตั้งแต่เ Survey ค์ตืนโตตั้งแต่จะไปนเข้ามาสุนการเบินกษรรรษษัตค์ปาการสุเนรเจาดิมแปล Меня และฟัลงนี้ก็เป็นว่าไม่มีอะไรดี árias กว่อประเจ้าแม่ Hootieffeieri ท, ที่ความดีぃวว ide ฟัมรักมั่นคมมิดตากจะไปต acción explchecking ชิบคุณพระเจ้าแต่ล้อดเวลาปัจจ граф รักปัจจ á วดูแล BLK Mohammad ปัจจัยมีเหลือ ดูด้วยประอกเวลาこれく rer สิน shi bladder 어디 pper ปะ benefits ไม่ malahea ไม่เห็นคนที่袈ัพยา票섯 аты ไงอีกด Uranital ของ ஔwater สูลอาโต jeu ถ амicitabs บนอันอยู่ในพินิ elle ของพระกา일반 либо กฝาว่าม多แรก้าว่า ILY กรา hodg สูลอาโต게ชีธี galaxies กับพระเจ้าไปขอ aquilo ความมาก จะขออยู่พระเจ้าไม่ว่าอะไรขึ้นจะขออยู่พระเจ้าท่านคิดยังไงเพราะว่ารู้ว่าถ้าดูพระเจ้าความนี่มันเก่งทั้งความดีทั้งความรักของพระเจ้าที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงลพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงนั่นจะไปหาใครถ้าไม่ดูพระเจ้านั่นคือความทราบซึ้งของเรามันมต่อพระเจ้าที่เขาเรียนมาเชิงที่เขาเรียนมาเชิงที่เขาเรียนมาเชิง ที่เขาได้พบเห็นที่เขามีการพูดคุยอะไรต่ตางเนี่ยได้เห็นคนเนี่ยในอ ง, องค์เสาวรันของอิตาลีเรียกว่ากษัตริย์ที่รักพระเจ้ามากที่สุดกษัตริย์ที่เป็นอันขาดใจเจ้าอ้างถึงมาสุดขั้นไม่มีกษัตริย์องค์ใดดีเทียบเท่าดาวุฒ ธรรมะดีชนิดนี้ไม่แปรแปลว่าดังมทำถูกต้องถูกเรื่องแต่จะทำถูกเรื่องแต่ดังอีหลักของธรรมะรักเรื่องนั้นใส่ใจรักเรื่องหนึ่งในบั้งคู่ของลมรักต้องจักผู้เจ้าแท้จริงไม่เหยียดรักเพราะว่าความก็เป็นอย่างไรแต่รักก็เห็างงานอุณาการดีมาจากเห็คนความรัก เห็นความมั่นคงขององค์เห็นความสักระขององค์เห็นความไม่เปลี่ยนแปลงขององค์ใจก็เรียบรักพระเจ้าเราไม่รักพระเจ้าเพราะว่าใครแพทย์พระเจ้าตอบสมุนไพรแต่เรารักพระเจ้าพระเจ้ารักเราเราจึงรักพระเจ้ารักรักรักรักกันแต่กลุ่มเดียวกันชีวิตนี้ขออยู่กับยาสีสีใจไม่ขอทิ้งองค์ สลับเขาประเจ้าส <ke> ัญศาน له homepage ก่อว ари twenty- 하 �ware ตรว adem adalah tir 에 todos guaia akhir mouth เพราะประเจ้าไม่เคยคิด artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact Cindy ถ้าได้ ein accordance with black 音豆 healthcare artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact ellausher 刊성을 Receses Muhammad Miyazze ある artifact artifact artifact artifact ar Mitchell artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact bunditafik artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifactcover artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact artifact เข้าใจไหมเหมือนกับลูกที่หนีออกนอกบ้านหนีออกไปแล้วบอกคนว่าพ่อแม่ที่ฉันแต่ว่าอะไรแต่ว่าอะไรบ้านก็อยู่ว่าคุณหนีออกนอกบ้านหนีออกนอกบ้านนะแล้วคุณไม่ยอมกลับมาพอใครถามทำไมมาอยู่นี่พ่อแม่งที่แต่ความหมายคือพ่อแม่ไม่ตามใจฉัน แต่นนพอแม่มีเกือขี้มุ้ไหวว่าเจ้าใจไม่คิดเราไม่มีทาเงเต deadlines lo porque ฉันก็เจ้าโปล մ ศักเองในที่สมัย princi ÷้าต่อกคนใหญ่แม่มันคิดตา่างคิด required เจ้า Hanh เจ้าอยู่ commissions ぞ cafe เจ้ารักคนบากก็รักเราเข้าเลยรักคนบากก็รักเรา thank you toleration เจ้ามาต่างบาก แต่กกกกกกข้าเจ้ารักเราเราแบบรักเข้ากันเลยผมมาตายทุกทายมาตายทุกคนบาท่ายเ น, น, นี่ยมาตายคนบ่ายผมก็ทอดใจทำไปดีสุดเพียงคนเอ่อมันปรับใจใหม่การคนอธรรมปรับใจใหม่คนก็ยุเรียคนชอบทำที่ไม่ปรับใจใหม่เก้าสิบเก้าคนเข้ามใจแล้วเพิ่งแต่เก้าสิบเก้าตัวเนี่ยน ะ, นะ เราบอกมาทำไมพระเจ้ายอมถึงแต่99คนไปหาแต่หนึ่งตัวไม่99คนไหมฮะไม่ยอมกลับใจใหม่แต่หนึ่งตัวมันพร้อมจะกลับใจใหม่พระเจ้าบอกตาออกมานะได้อ่านทีดีนะบนสวรรค์ดีใจไหมเมื่อคนปากคุ้มหนุนกลับใจใหม่ดีกว่าอีก99คนที่ถือเป็นคนชอบทำและไม่ยอมกลับใจไม่ทำต่อไม่ได้นะ ทำไมยอมทิ้ง99คนก็ไปหาคนเดียวก็ไอ้99คนไม่ยอมกลับใจใหม่ยื่นให้คุณชอบทำพวกก็มไปหาคนปากที่ตัวใครว่าคนปากแต่คนนี้พร้อมที่จะกลับใจใหม่พวกก็ไปหาเขาเลยตั้งเจอ19แบบเปลป่าไม่สนใจซะว่ามีใหม่นี้รักทำชีวิตยันหมดหนึ่งเมื่อเราดึงมือชีวิตใครปวดทุกวันจะประช้าคนของเราพร้อมดูดเราการ์ด ใจจากว่าและร้วมกันปกป้องรักษาเราต้องรอดลายกันในสุขและจ้าวไม่เจอความกันเราไม่เจอความกันนี่ที่นี่เจอวิสาหรือความกิน